ไอ้พ่ตัวตัวมัคจริงๆคือตัวที่กำจัดฉันทราคะในมหาพูทอันนั้นจึงเป็นอริยมัคเพราะฉะนั้นถ้าคําว่ามัคเฉยๆเนี่ยมันแปลว่าทางนันะแปลว่าทางนั้นแม่อมความถึงทางไปสู่อบายทางสู่สุขติทางสู่พรหมโลกหรือทางแห่งพระนิพพานแต่ถ้าทางแห่งพระนิพพานเขาะจะมีคำมาหนุนอีกคํำหนึ่งคืออริยมัคอริยมัคมีองแปด นี่นะอัถังคิโก้อันะอัังเอ่ออริยถังคีโกมัคโคนี่นะคือเราอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อันนี้จึงเป็นทางแห่งความหมดจดจริงๆทางแห่งความหมดจดคือมรรคฐานเนี่ยนะต้องอาศัยสุจริตทั้งกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแล้วเจริญคุณธรรมเพิ่มพิเศษคือพิจารณาเหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะจนถึงตัด ตัดฉันทราคาในมหาพูดได้อันนี้จึงเป็นทางแห่งทานี้ผ่านนี่ไงถ้าทําหลากลาก้านนี่ไงแต่ละคนมีอัจฉริยะสายไม่เหมือนกันก็บอกว่าเออทุกคนชอบเรียนสติปัฏฐานสูตรใช่ไหมบอกใช่เข้าเอาสูตรไหนมาคิดผู้การบอกสัตว์ตฐานสูตร น, น, นั่นนี่ไงแต่เรียนสติปัฏฐานสูตรแล้วถามว่าเราจะไปตรงสติปัฏฐานให้ผู้การอย่างเดียวได้ ย, ยังไงอันนี้ทําให้เห็นว่าเรา ตอนมาบอกตรงๆเลยว่ายังไม่กลา้าเสนอสูตรสาเร็จให้ใครที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเรายอมรับความหลากหลายแล้วก็เชื่อว่าทีคณิกายเนี่ยนะสาสิบสี่สูตรมัชฌิมานิกายร้อยห้าสิบสองสูตรสังยุตตนิกายเจ็ดพันเจ็ดรอยหกสบสองสูตรสังยุตเก้าอังคุตเก้าพันกระสูตรแล้วก็คุถการนิกายอีกสิบห้าคำพีเนี่ยนะซึ่งก็ยอมรับว่าทุกสูตรบรรลุมรรคผลนิพพานได้ นั้นถ้าจะเสนอแน่กว่าคุณไปเอาสูตรใดสูตรหนึ่งที่คุณศรัทธาที่สุดไปท่องไปสาธยายและคิดตามสูตรนั้นให้มากแล้วข้อแม้ต้องไม่ขัดกับสูตรอื่นนะมีข้อแม้ว่าคุณคิดตามสูตรนั้นแหละแต่ต้องไม่ขัดแย้งกับสูตรอื่นจเจริญไปเอถอะเนี่ยนะแขัดแย้งไหมคราบว่าอ่าถ้าไม่ไม่เข้าใจสูตรนี้ดีเพียงพอนะมันจะไปปฏิเสธสูตรอื่นๆเนี่ยนะ คือถ้าถ้าถือสูตรนี้ไว้ไม่ดีนะจะไปปฏิเสธสูตรอื่นๆเหมือนเราว่าเช่นพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำรรจัดอภิชาและโทมนัตโอ้ดีมากไหมดีนี่ปฏิบัติตามนี้ก็พอแล้วศีลไม่ต้องรักษาหรอกอันเนี้แหละเขาเรียกว่าขัดกับสูตรอื่นเพราะฉนนัน้ปฏิบัติตามสูตรนี้ปฏิบตัติไปแต่ว่าต้องไม่ปฏิเสธสูตรอื่นๆแต่เรามีอัธยาศัยกับสูตรนี้หรือเช่นเราว่า เราเป็นสมมตุตนะิเราเป็นคนโทสะจริตชอบเจริญเมตตามากเอาเมตตสูตรไปเนี่ยเอเวลาโหนตั อ, ตอตัิยาปชาโหนตุอย่างอื่นอสุภาพมันคิดยากคิดให้เขามีความสุขอย่างเดียวก็พอแล้วอย่างเงี้งยเพราะในการคิดให้คนอื่นมีความสุขถูกแต่ไปปฏิเสธอย่างอื่นเนี่ยผิดอย่างเงี้ยนะซึ่งซึ่งพระธรรมหลากหลายเนี่ยซึ่งตรงนี้แหละที่เรียกว่าศรัทธาปฏิบัติสูตรไหนก็ปฏิบัติไปเพราะคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีวัตถุประสงค์เหมือนกันเนี่ยนะ แต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าสอนเท้าสักกะนะเอาแต่สาระมาสอนก็คือว่ารู้จักว่ากายสุจริตวจีสุจริฏฐิคือเรียกว่ากายสมาจารที่เป็นกุศลเครียกว่าเว้นจากกายสมาจารที่เป็นอกุศลเจริญกายสมาจารที่เป็นกุศลเว้นจากวจีสมาจารที่เป็นอกุศลเจริญวจีสมาจารที่เป็น กุศลเนี่ยนะหรือสมาทานยังไงแล้วกุศลเจริญขึ้นอกุศลลดลงให้ทำอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าถ้าเอาแต่สาระเลยนะไม่ต้องมาบัญญัติ เ, เรื่องราวอะไรให้มากมายเนี่ยถ้าเอาสาระก็อยู่แค่นั้น hmm. คือมันเหมือนกับว่าปกตินะ hmm. แบ่งเป็นกุศลวิตกกับอกุศลวิตกถ้าใครที่คิดให้เป็นกุศลวิตกมากมากกุศลวิตกก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ถ้าปล่อยให้อาคูสนิตกเกิดมากอากุศลนิตกก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าเรามาจับแบ่งแก้เนี้ยแก้แก้เนี่ยจากอาคูสนให้เป็นกุศลให้ได้นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรมทั้นถ้าถ้ า, ถาตั้งคําถามหรือสูตรง่ายๆว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรบอกว่าแก้อาคูสนที่มีอยู่ให้เป็นกุศลซะเนี่ยแหละถ้าถ้าว่าจับสาระของการศึกษาพระธรรมถ้าจะให้เหลือยอ่อเหลืออยู่เท่านี้จริงๆเนี่ยนะถ้าถามก็จะบอกว่า ข้อปฏิบัติรัดลับง่ายๆตรงตรงต่อพระนิพพานเลยนะอบอกได้ไหมบอกได้ทําได้ไหมล่ะเนตรงนั้นเน่ะสําคัญอคบอกเลยนะหนึ่งสัมมาทิฏฐิคุณรู้อริยสัจถ้าคุณอยากพ้นทุกข์เลยนะบอกรหัสง่ายๆเลยสัมมาทิฏฐิรู้อริยสัจสองสัมมาสังกปปะกุศลสังกปะสามอย่างสัมมาวาจาสี่เนไต้องคําพูดต้องเว้นจากพูดเจริญวจีทุจริตสี่ประการ กายต้องเป็นกายยัสนเจริญสามสัมมปทานสี่นี่นะสัมมาวายามะคือเจริญตามหลักสัมมปทานสติปฐานสี่แล้วก็ฌานสี่แล้วให้ทั้งแปดเนี่ยประชุมกันนั่นแหละทางแห่งความหมดจดนี่นะบอกได้แต่ว่าทําตามยากนี่นะทีนี้ว่าที่เราเรียนทั้งหมดเนี่ยนะวัตถุประสงค์โดยรวมๆของการศึกษาอย่างพิสดารกว้างขวางก็เพื่อเข้ามาสรุปโดยเข้าสู่หลักการอันนี้ เช่นการเรียนเรื่องยานะทั้งหลายทั้งแต่สุตมะ ย, ยานอันนี้นะคือการปรับความเข้าใจว่าอริยสัจคืออะไรสีละมะ ย, ยานก็คือเริ่มที่จะปฏิบัติตามมรรคสัจเจริญมรรคสัจโดยลําดับเป็นไปอย่างไรแล้วก็พอมรรคยานผลรยานปัจเจเวคขณะยานก็รู้เออนี่มรรคเป็นอย่างนี้นะแทงตลอดพระนิพพานอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือเริ่มทําความเข้าใจก่อนตอนนี้ถ้าว่าให้ตรงๆเลยยังไม่ได้บอกให้ไปทําอะไรสักอย่างเลยนะ ให้พยายามทําความเข้าใจก่อนว่าอะไรเป็นอะไรเพราะมันเหมือนกับสมมติแค่แค่แบบท้าวท้าวโลกก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้ายังไม่ทักมีความรู้ความเข้าใจานะเริ่มอย่าเพิ่งขยันเลยอย่างนั้นเถอะเพราะขยันแล้วจะเดือดร้อนชั่งเข้าอีกการปฏิบัติธรรมเหล่านี้ก็เหมือนกันถามว่าเอาจะปฏิบัติปฏิบัติว่ายังไงถ้าปริยัติอย่างมาไม่ดีนะสมมุติว่าอย่างลืมตามองเห็นและกําหนดเนี่ยกําหนดว่ายังไงอ่ะอย่างมาก ถ้าเป็นอ่สมมติถ้าขอมาอยากจะแนะนําแบบง่ายๆ ง, ง่ายมากเลยนะเนี่ยสีเป็นรูปเห็นสีเป็นนามถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดอะไรถามว่าถ้าทำานี้พอไหมจะพ้นทุกข์ไม่พอแล้วพ้นทุกข์พ้นอย่างไงไม่พ้นแต่ว่าไม่ไม่พบด้วยนะว่าสูตรไหนสอนอย่างนี้พบอย่างสูตรที่เรียกว่าถ้าเป็นทวารตาดังที่เคยกล่าวย้ําบ่อยๆก็คือเนี่ยตามแนวชาชักสูตรเป็นต้นเนี่ย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 ความดับแห่งวัตถุทุกจะดับได้เพราะดับเหตุคือตัณหาเป็นต้นอย่างนี้ทีนี้ด้วยข้อปฏิบัติอย่างไรเนอะจึงจะดับตัณหาได้ไหในสูตรอื่นก็เช่นอาทิตตปญยาสูตรก็แนะนํารับตรงมากเลยก็คือเนี่ยตาเป็นของร้อนนะสีก็เป็นของร้อนจกักรวิญญาณเป็นของร้อนจกักรสัมผัสก็เป็นของร้อนแนะม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากจากักรสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยก็เป็นของร้อน ร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราค่าร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะไฟคือชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมณัตและอุปายาตเผาเนี่ยนะอริยสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะเบื่อหน่ายในตาเบื่อหน่ายในสีเบื่อหน่ายในจักรคูวิญญาณเบื่อหน่ายในจักรคูสัมผัสเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนาทุกเวทนาที่เกิดจากจักรคู่สัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตจึงหลุดพ้น เมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพระมรรจันต์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอันนี้ก็จบกันแล้วนะก็ตัดฉันทราคาได้ทีนี้เอแล้วเห็นยังไงตามจะน่าเบื่อยังไงนะตามันร้อนได้ยังไงนี่แหละคือต้องมาลงละเอียดแหละตาคืออะไรตาประกอบไปด้วยอะไรเกิดจากเหตุอะไรเนี่ยนะมีอะไรเป็นเหตุเป็นปจัจจัยเป็นสมุธฐานมีกี่รูปเนี่ยนะเอาละคันนี้เรื่องยาวแล้วฟังกันเถอะ เพราะนั้นเขาบอกว่าแม้กระทั่งทําความเข้าใจก็ยังยังไม่ง่ายที่จะปฏิบัติตามเนี่ยนะวิสุทธิมรักษันบอกว่าแท้ทําทความเข้าใจยังยากจะกล่าวไปลายถึงการปฏิบัติเล่าเนีย่ยนะเพราะนั้นจึงกรมนิยบุคคลหรือกัปปะธป ร, ะะปรม a เนี่ยจึงไม่ได้บอกสู่สําเร็จสูตรใดสูตรหนึ่งอย่างเมื่อเช้าก็คุยว่าโมหะเจริญเนี่ยนะทำยังไงบอกว่าเข้าไปสอบถามเรียกว่าปรุดปริปรุชาให้มาก ฟังตามการสนทนาตามการนั่งใกล้กับครูเนี่ยนะใกล้ชิดกับครูเป็นอย่างมากเลยนะก็ของเราก็ยังไม่ต้องรีบหรอกพระน น, นท่านพรรษาที่ท่านอายุบรรลุตอนอายุแปดสิบอะนะศึกษาธรรมะตั้งแต่อายุสามสิบหกปีนะบวชมาตั้งอายุสามสิบหกปีเนี่ยนะบรรลุตอนอายุแปดสิบปนะนะีใช้เวลาอยู่สี่สิบสี่ปี บรลลุพาหันตอนอายุแปดสิบเนี่ยนะแล้วก็พระสมัยพุทธกาลเนี่ยนะท่านบางท่านก็สิบสองปีอย่างพระราหูนเนี่ยบวชตั้งแต่เจ็ดขวบบรลลุตอนอายุยี่สิบเนี่ยนะโอ้หนับว่าหลายปีมากท่านของเราก็ถ้าบอกตรงๆนะทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าจะบรรลุบรลลุอะไรบรรลุว่ายอย่างไรบรรลุโดยวิธีใด อ่ะนะบรรลุแล้วดียังไงถ้าไม่บรรลุแล้วเสียหายยังไงตอบคําถามพวกนี้ให้ได้ก่อนเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเราตอบคําถามอะไรไม่ได้เลยนะถ้าเราไปเชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งปั๊บเนี่ยนะเขาจะสอนอะไรที่มันดิ่งลงไปดิ่งลงไปเนี่ยนะถ้าเป็นคําสอนก็ดีแต่ไม่ใช่คําสอนเนี่ยลําบากแล้วเนี่ยนะก็ลําบากเฝ้าขันหานั่นแหะไม่มีอะไรขนะ้างมาอยังชอบก็บอกว่าขนทัพผสมภาระนะฟังแล้วมันมัน มันชัดเจนดีอ่ะนะขนทัพผสมภาระไปอีกแล้วทัพพระก็แปลว่าของใช่ไหมขนภาระก็คือขันห้าก็ขนไปแล้วเนี่ยของมาเดี๋ยวเย็นก็ขนกลับเชียงใหม่กแล้วเนี่ยพาระถึงเชียงใหม่ก็ขนไปกุฏิอีกโอ้ยภาระจริงๆอ่ะนะก็ขนไปเลยเองอย่างงี้เละขนไปขนมานี่ยังขนเรื่องไปอื่นอีกนะเนี่ยหนักขนาดเนี่ยตั้งเจ็ดสิบกว่ากิโลแล้วเนี่ยนั่นเ คือกล่าวว่าทำมาพิสมัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรตั้งความปรารถนาแต่ก็อย่าลืมว่าปรารถนาว่าอย่างไรปรารถนาว่าขอข้าพเจ้าจงได้กําหนดรู้อุปาทานขันท่าที่ควรกําหนดรู้คือกําหนดรู้ว่าอย่างไงกําหนดรู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาตาขอข้าพเจ้าจงละวิปรลาศในขันท่านะละความวิปรลาศว่าเที่ยงว่าสุขว่างามว่าอัตาขอข้าพเจ้าจงทําให้แจ้งแทงตลอดอสังขตธาตุ ที่พ้นจากขันท่าปรุงแต่งขอข้าพเจ้าตรัสรู้คือได้ไปกําหนดรู้ทุกอันนั้นละสมุทัยและแทงตลอดอสังกัตภาพด้วยข้อปฏิบัติใดขอข้าพเจ้าจงได้เจริญเช่นนั้นเถิดถ้าจะตั้งความปรารถนาก็ต้องตั้งในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยขอข้าพเจ้าจงเจริญศรัทธาเนี่ยนะบริบูรณ์ด้วยโสตาปฏิยัมพระธรรมสี่ประการข้าพเจ้าพึงเจริญในสัมมาประธานสี่ข้าพเจ้าพึงเจริญใน อิทิบาศีข้าพเจ้าพึงเจริญในอินรีห้าเป็นต้นเลยนะต้องตั้งอัธยาสายแบบนี้ก่อนถ้าไม่ตั้งไว้ก่อนนะถึงรู้ยังไงก็บรรลุไม่ได้ถึงรู้ว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตายัางไงก็บรรลุไม่ได้เพรา ะ, ะกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้อย่างเดียวบรรลุไม่ได้ต้องเจริญสิ่งที่ควรเจริญด้วยยังชอบข้อความในนันทโกวาทสูตรเนี่ยนะพระสูตรที่ พระผู้มีพระภาคให้พระนันทกะเนี่ยไปสอนภิกษุณีทั้งหลายซึ่งพระนันทกะ ก, ก็ถามว่าน้องหญิงทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงประชาวขา้าสิ่งไม่เที่ยงเจาา้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเจาา้าค่ะอันเนะ่ ทีนี้อริยาสาวกเมื่อได้ทํากิจอย่างนี้เนี่ยนะตอนท้ายท่านก็ชี้นาเป็นเป็นข้อเตือนเนี่ยว่าผู้ที่ได้ฟังอ่ะนะได้กําหนดรู้ดังที่กล่าวจนเพื่อจะละสิ่งที่ควรละแต่ประเด็นสําคัญนะว่าเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราค้าอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเจริญวิริยะปีเจริญธรรมวิจยะวิริยะปีติปสัสสะที สมาธิอุเบขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสลรัะแผนตอนท้ายจะต้องไปเจริญสิ่งที่ควรเจริญเมื่อก่อนนี้ถ้าโดยกล่าวโดยส่วนตัวเนี่ยนะก็ถือว่าเมื่อรู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาาัตตาอสุภะก็น่าจะเพียงพอแล้วที่จะบรรลุเนี่ยนะรู้ในความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลก็น่าจะเพียงพอแล้วที่จะบรรลุบอกไม่ใช่เลยตอนหลังนี่เห็นชัดว่า ทำไมโพล่ที่ปักขยธรรมเนี่ยต้องสามสิบเจ็ดแล้วก็อริยมรรคเนี่ยนะอัฏฐะของมรรคที่จะบรรลุนะมีนิยานิกัะโถนําออกจากทุกสองเหตัดโถเป็นเหตุเนี่ยนะสามทัศนัตโถต้องเห็นพระนิพพานสี่อธิปไตยโถหมายถึงว่ากูโซธรรมทั้งหมดต้องมาประชุมบริบูรณ์จึงจะเกิดการแทงตลอดหรือทนทุกข์ได้แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ฐานะเนี่ยนะ ถึงถึงใครจะบอกว่าใกล้จะบรรลุแล้วหรือห่างก็ตามมันนะมันก็อยู่กับขันห้านี่แหละเดี๋ยวจะขนทัพสสมภาราไปอีกแล้ว